พยายามทำสมาธิแต่กลับฟุ้งซ่านหนักขึ้นเป็นเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำใจให้เป็นสมาธิแต่มัวทำใจอยากได้สมาธิทำใจให้เป็นสมาธิเริ่มทำอย่างไรก้าวแรกเริ่มจะทำความเข้าใจว่า เดิมทีจิตฟุ้งซ่านกระจัดกระจายอยู่ต้องค่อยๆรวมเข้ามาเป็นอันเดียวไม่ใช่อยู่ๆบังคับให้แนนิ่งคึนขั ง, ขงและเป็นสมาธิเลยถามว่าลราจะอาศัยอะไรรวมจิตตอบว่าความรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้าออกธรรมดาธรมดาลากลมเข้าไปสุดปอดแค่ไหน ระบายลมออกมาหมดเพียงใดให้นับเป็นหนึ่งรอบความรู้สึกทุกรอบความรู้สึกถึงลมคือการสะสมกระแสะจิตทีละน้อยให้เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งรู้สึกถึงลมแต่อึดอัดปุ้งซ่านควรแก้ไขอย่างไรอย่าดูลมหายใจอย่างเดียว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 สงบระงับดับทุกข์แบบไม่กลับกําเริบอีกซึ่งจิตเหนือสํานึกชนิดนี้เองเป็นสิ่งที่แยกความเป็นพุทธเป็นต่างหากพ้นจากการเป็นศาสนาพ้นจากการต้องเชื่อหรือไม่เชื่อใครหมายเหตุคําว่าจิตเหนือสํานึกนี้ใช้กับหลากหลายความหมายหลายนิยามเช่นเป็นพลังจักรวาล น, นอกตัวบ้าง เป็นสนามแม่เหล็กในท้องฟ้าบ้างเป็นขุมความรู้ที่มีอยู่เดิมในธรรมชาติบ้างเป็นจิตพิเศษที่คุมจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกบ้างซึ่งรวมไปรวมมาแล้วก็คือยานวิเศษนั่นเองแต่ในที่นี้ผมเจาะจงว่าหมายถึงสัมมาสมาธิอันมีความเป็นหนึ่งเป็นฌานซึ่งตั้งต้นจุดชนวนขึ้นมาจากส ม, มาธิฐิเจตนาบ่งบอกว่า เป็นจิตแบบหนึ่งที่พิเศษในการรู้เห็นแตกต่างจากธรรมดาเท่านั้น